เอาต่อนี้ไปตั้งใจฟังโอวาทหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาประจำวันพระเป็นแนวความคิดแก่คณะญาติโยมลูกหลานทุกทุกท่านที่มาสู่วัดหลวงพ่อแห่งนี้และก็วันนี้เป็นวันพระเป็นวันสำคัญหลวงพ่อจะได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่มาแนะนำสั่งสอนลูกหลาน ให้รู้จักว่าจึงไหนควรทำํำจึงไหนควรคิดนะี่ยถ้านว่าิ่งไหนคิดไหนะคิดก็คือความนึกคิดคิดยังไงมัน จ, จึงจะถูกต้องแล้วทำยังไงมันจึงจะถูกต้องพูดยังไงมันจึงจะถูกต้องเนะพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนากายยกรรมวิ จ, จีกรรมมโนกรรมกรรมก็คือการกระทําทางใจทางความประพฤติการกระทําและก็ทางวาจาคือการพูดนะ เพนั้นหลักของพุทธศาสนาซึ่งจะพูดมากมายอย่างไรก็ตามก็อนี้หลักคือต้นใหญ่คือหลักใหญ่ออกไปจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าและก็ความประพฤติของพวกเราควรจะประพฤติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องแต่ทุกวันนี้ที่บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายเพราะพวกเรามีความเห็นผิดบางอย่างและกรบทำผิดและก็พูดผิดนะไม่พูดตามทํานองคลองทำถ้าพูดตามทํานองครองทำแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความผาสุกในชุมชนสังคมของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้นำทำคำสอนของพระพุทธศาสนามาประกาศมาเผยแผ่แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้หงายภาชนะรับในถ้าว่าพวกเราไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังถึงจะเป็นทำคำสั่งสอน มีเหตุมีผลขนาดไหนแต่พวกเราไม่เชื่อไม่ยอมฟังสอย่างเดียวเหมือนกับตุ่มโอ่งของเราคว่าปากลงในดินแล้วก็ออกก้นขึ้นฟ้านะในจั ก, กรวาลถึงจะลดเป็นปีเป็นเดือนฝนตกอยู่ตลอดก็ไม่สามารถที่จะขังน้ำได้เพราะเหตนไรเพรา ะ, ะมันคว่าปากลงไปแล้วนี่ก็เหมือนกันคือว่าคว่ำปากคือไม่มีศรัทธา ไม่เชื่อในทำคําสั่งสอนไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีนรกสวรรค์มีตายแล้วเกิดอย่างนี้ถ้าเราไม่เชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละเหมือนกับเราควา่ํำตุ่มหรือคว่ําปากกละมังถึงจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรก็ไม่เข้าเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เชื่อแต่ถึงยังไงเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ควรจะฟังเอาไว้ อย่าเป็นคนหูตึงอย่าเป็นคนดื้อด้านให้ฟังเอาไว้ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประกาศเผยแผ่เข้ามาสู่เมืองไทยนานเท่านานตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนตั้งแต่ยุคพ่อคุณลามคำแหงข่อขุนสีอินทรา t ิตกรุงศรีอยุธยาจนมารัตนโกสินทร์กว่าสองกว่าปีแล้วก็คงจะมีอะไรดีคิดว่าคงมีอะไรดี บรรพบุรุษของพวกเราจึงยึดนับถือพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจําชาติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราหงายภาชนะหรือว่าหงายตุ่มมารองรับฟังธรรมเทศนาซึ่งจะไม่ใช่ของหลวงพ่อก็เถอะนะให้องค์อื่นๆก็เหมือนกันถ้าพูดเป็นศีลเป็นธรรมแล้วให้พวกเราศึกษาให้พวกเราฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วพวกเราจะนําไปประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าใจาใจของพวกเราพวกเราก็จะ เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแลวกับการกระทาก็ชอบการพูดก็ชอบเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเราได้ฟังเราเราได้ศึกษาแล้วเพระได้สุตตะมยะปัญญาเกิดปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแล้วละะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านลูกหลานทุกคนนะทัศไทยญาติโยมที่ได้มาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดหลวงพ่อหรือว่าไม่ได้มา เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปคิดไปพิจารณาอ่าอันนี้หลวงพ่อจะพูดเป็นพื้นฐานสกอดนะอ่าพื้นฐานก็คือพวกเราเป็นอยู่อย่างไรในเขตอำเภอนายุมนะ้ำโสมในเขตที่พวกเราได้ยินสถานในวิทยุเนะี่ยเมื่อวานเมื่อเช้าวานเนี่ยหลวงพ่ออก็ไปเนี่ยเดินบิทาบาทไปเห็นคณะจัทตาญาติโยมลูกหลานเอาอ àng, เอายางเศษยางมาขาย ให้แก่บริษัทที่เขามารับซื้อน่แล้วก็หลวงพ่อเดินทางไปทางหนองคายอีกมเมื่อวานก็ไปเห็นทุกตามลายทางที่มีป่ายางเขาก็ขายกันหลวงพ่อเห็นเลยกภาคภูมิใจอย่างมากคือในภาคอีสานของเราลูกหลานของเราได้ขายยางได้ขายเศษยางได้ขายแผ่นยางแแก้วถ้าจะว่าไปคือพวกเราเดินมาถูกทางแล้วยางราคาก็แพงพอสมควร ขณะนี้ถ้าจะว่าไปเลยกับเหมือนกับน้ำโขงมันขึ้นนะ่นอน้ำโขงน้ำามลมันขึ้นแต่ไม่ถึงกระท่วมนะมันขึ้นพวกนั้นพวกเราต้อ ง, องรีบตักนะรีบตักหาตุ่มหาโอ่งมาใส่ใคล้ายๆว่ายางราคามันตั้งห้าสิบหกสิบาทมมันจะหาได้ที่ไหนครอบครัวของเราก็มีเงินหมุนเวียนในครอบครัวนี่แหละ อันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็นหน้าภาคภูมิใจกับพี่น้องลูกหลานแต่เป็นห่วงอยู่อย่างก็คือกลัวลูกหลานจะใช้เงินอิรุยชุยแชกใช้เงินไม่รู้จักประมาณในการใช้ใช้เงินแบบวันได้มามือซ้ายสะบัดมือขวาได้มือขวาสะบัดมือซ้ายใช้เงินสรุปแล้วก็คือใช้เงินไม่รู้จักคุณค่าของเงินจุดนี้แหละหลวงพ่อเป็นห่วงเพราะนั้นขอหลวงพ่อเองจะนำทำคาสอนของพระพุทธเจ้า มาแนะนำพวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน4ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้าคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติแต่หลวงพ่อจะเน้นข้อที่สามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัตินะหลวงพ่อจะเน้นข้อที่3ข้อที่สี่คือตั้งสตรีหรือบุรุษนะทุสิล นี่คือคนเล่นการพนงการปรันเที่ยวสัมร เ, เทมเมาให้มาเป็นเจ้าของสมบัติอันนั้นหลวงพ่อจะพูดอีกที่หนึ่งแต่ตรงพ่อจะเน้นข้อที่สามว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติคืออะไรเมื่อพวกเราขายยางได้แล้วพวกเราใช้เงินอิรุยชุยแชกจ่ายไปแบบไม่คิดไม่อาจพูดง่ายๆเหมือนกับน้ำตุ่มค้นรั่วใจของเรามันรั่วใจของเรามันรั่ ว, ใใวคือไม่รู้จัก แ บ, แบ่งแยกแยะถึงจะหามาขนาดไหน เ, เขียวค่าย่าคืนไปเกรีดยางได้เงินมามากขนาดไหนแต่พวกเราเห็นอะไรขวางหน้าซื้อทั้งหมดโดยเฉพาะแม่บ้านแม่บ้านคือภรนยาของเรานะเนี่ยแม่บ้านไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักงำนะอันนี้แปลว่าตุ่มก้นรั่วเหมือนกันพวกพ่อบ้านก็เหมือนกันถ้าพ่อบ้านอพอได้เงินมาเข้ามือแล้วกันนะั้นไปหาเล่การพอนองพนัน แข่นต่อที่ไหนก็ไม่รู้อไม่รู้จักบ้านไม่รู้จักครอบครัวอันนี้ก็แปลว่าตุ่มก้นรั่วอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจะนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามามาอุด ร, รูรั่วจุดนี้ก็คือตรงที่ว่าอบายยมุคคือเหตุเครื่องจิบหายพระพุทธเจ้าใช่าหมอับบายยมุคคือเหตุเครื่องจิบหายเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิตรเกจฉาค้านทําการงานะ อันนี้แหะคืออบา ย, ยมุกในหลักของพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อมันเน้นจุดที่ว่าเล่นการพานันนะเพราะนั้นเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพานันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทําการงานมันจะไปในลักษณะนั้นท้าวว่าเพราะนั้นเป็นหนทางแห่งความจิบหายของพวกเราเพราะนั้นอย่าให้พวกเราคณะจัตตาลูกหลานทั้งหลายนะเมื่อได้เงินได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วด้วยความยากลําบาก ก่อนที่เราจะได้เศษยางมาขายนะ่ยดูซิเกี่ยวขําย่ําคืนเสี่ยงต่ออสรพิษอีกต่างหาดไม่รู้ว่างูไม่รู้ว่ า, วาตะขาบที่มันจะกัดเท้าของเรากว่าจะได้เงินมาเพราะฉะนั้นเมื่อได้เงินมาแล้วให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ลูกคนไหนที่จะไปลรงเรียนโรงเรียนก็ให้มีวินัยในการใช้เงินลูกหลานไม่ใช่ว่าเราได้เงินมาแล้วก่อเราจะแบ่งปันให้ลูกหลานใช้ใลุยชูแจกขวางหน้าอะไรซื้อหมด ขี่มอเตอร์สง่งมอเตอร์ไซค์ชนกันไปเดะไปหมดโผล่ในสุดคุณลูกหลานของเราประสบอุบัติเหตุแล้วก็นั่นแหละเงินคำทรัพย์สมบัติเพ้อเพอจะได้ขายสวนยางอีกต่างหากทีนี่นี่แหละในหลวงพ่อเป็นห่วงคือเขาแบบไม่รู้จักประมาณในการใช้เงินนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารู้จักประมาณในการใช้เราจะใช้ยังไงจึงจะถูกต้องควรจะมีเก็บนะเราคิดว่าเดี๋ยวนี้เรามีเงินเท่าไหร่ เราเข้าเดือนละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่เอเราจะแบ่งใช้เท่าไหร่ค่าน้ําเท่าไหร่ข้าวไฟเท่าไหร่ค่าโทรศัพท์เออ เ, อ, อเท่าไหร่เ อ, อเราจะไปใช้จนเกินไปไม่ใช่โทรทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเนี่ยก็ทําให้เสียเงินเสียทองอีกเหมือนกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเราจ่ายยังไงก็ควรจะมีเหลืออควรจะมีเหลือเอาไว้ เยอะนั่นคือหลายเราเก็บไว้ในธนาคารธนาคารธนาคารเรามีอยู่แล้วทุกอำเภอเดี๋ยวนี้ยะเราก็ไปฝากเอาไว้เก็บไว้เพื่ออะไรเพื่ออนาคตอนาคตวันข้างหน้าไม่มีใครมองไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของพวกเราน่ยจะเป็นยังไงบางทีลูกหลานของเราจะประสบอุบัติเหตุก็เป็นไปได้พวกเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้มันจะได้ใช้เงินเมื่อใช้เงินถ้าเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้นะมิถึงได้มากแต่ใช้ ไปใช้จ่ายไปโดยที่ไม่คิดไม่อ่านฮะผลที่สุดเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอาสวนยางเขาไปจำนองจำนำเข้ามาเลยสิผลที่สุดก็ปลาใหญ่กินปลาเล็กไปเรื่อยผลที่สุดเราก็เลยเป็นคนจนอีกอย่างเก่าเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้นะหลวงพ่อเป็นห่วงลูกหลานทุกคู่ทุกคน อ, อย่าไปใช้อิรุ่ยฉุยแชรอย่าไปใช้ให้เกินตัวให้รู้จักประมาณแล้วก็ให้รู้จักเก็บให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้สรุปแล้ว อันนี้แหะคือส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งการพนงพนันขันต่อก็เหมือนกันตลอดถึงยามา้าคัญชายาฝิ่นเฮตูอิ น, นอะไรก็ตามนะ เ, เสียงที่เสียหายจะเกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านของพวกเราเตามไม่จริงผู้ใหญ่บ้านก็ดีผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านก็ดีอบตก็ดีครูบาอาจารย์ครูโรงเรียนก็ดีผู้เป็นชั้นตัญญาชนทั้งหลายควรจะปกป้องดูแลบ้านของตนเองนะ เสียงไหนที่จะหาญนะนจะเข้ามาสู่หมู่บ้านของเร า, เามีนักตรงนักเลงก็เอาไฮโลมาตรงมาตกในหมู่บ้านของเราผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นหูเป็นตาต้องบอกกล่าวพวู้ลูกบ้านเออลูกบ้านเอออย่าไปลุ่มหลงในการพน่านเน้อถ้าผู้พ่อบ้านที่ดีผู้ใหญ่บ้านที่ดีกำนันที่ดีท่านก็จะต้องดูของท่านาไม่ใช่ว่าจะให้ตำรวจมาจับทีเดียวตำรวจเขาจะรู้อะไรเหมือนกับหมอเนี่ยนะ เหมือ น, นเราเข้าไปหาหมอเนี่ยเราไม่สบายเราไปหาหมอหมอก็ต้องถามว่าคุณไม่สบายเรื่องอะไรเราก็ต้องบอกว่าปวดศีรษะหมอก็ต้องเอายาแก้ปวดศีรษะให้ถ้าปวดท้องหมอก็จะต้องบอกว่าเอายาแก่ท้องให้ปวดอย่างไรเขาก็ต้องถามนี่ก็เหมือนกันชาวบ้านของเราบ้านของเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนัน อ, อบอตอ ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านอันนี้ก็คือฝากไว้กับลูกหลานนะอย่าหาว่าหลวงพ่ออย่างลึกลงไปนะโอ้หลวงพ่อในี่จะเป็นผู้แทนหรือเปล่าอยาจะเป็นผู้ปกครองลูกหลานหรือเปล่าไม่ใช่หลวงพ่อนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อสิ่งไหนที่แปลกตอมเข้ามาในในร่างกายของเราเราก็ต้องบอกหมอเลหมอจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่บอกเขา เดินก็ไปช่อบื้อเข้าไ ป, า ไ, ปไปยืนต่อหน้าหมอให้หมอรู้เองว่าข้าเป็นอะไรหมอจะไปรู้อะไรหมอก็ต้องถามเรานี่ก็เหมือนกันนะคนในหมู่บ้านคนในชุมชนคนในสังคมของพวกเรานะ่จะรู้กันเองว่าใครเดินออกนอกลูก่นอกทางจากนั้นผู้ผู้ใหญ่รือว่าผู้ที่มีผู้เกี่ยวข้องทางบ้านเมืองก็ช่วยกันแนะนําสั่งสอน แต่ถึงยังไงก่อนหลงพ่อเนี่ยไม่อยากจะให้ทําอะไรทําให้เสียหายรุนแรงถูกจับกลุมปรับไหมไส่โทษอย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะเราอยู่ด้วยกันถ้าจับไหมไส่โทษลงไปนั่นแหละความจีหายก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นนั้นๆอีกเหมือนกันผลในสูดคนนั้นขายสซนยงขายโซนยางมาสู้พดีกันอีกฮะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องควรจะบอกกล่าวกันแนะนําสั่งสอนกันพี่น้องอยู่ด้วยกัน ถ้าคว่าพวกเรามีน้ําจิตน้ําใจต่อกันกับผู้ที่กระทำผิดกรดูแลมันจะเดือดร้อนคนอื่นไหมทำมัเดือดร้ อ, อนคนอื่นทําให้บ้านของเราไม่สงบร่มเย็นเป็นสุขเราก็ควรจะยุดเพราะพวกเราได้เรียนได้ศึกษามันโดยการทวกคนอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนเสื่ออันไหนดีเราก็รู้อยู่แล้วแก่ใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีจะทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายจะทําให้หมู่บ้านของเรา ไม่สงบพร้มเย็นเป็นสุขเราก็ควรจะหยุดในการกระทํานั้นอนี่ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้หลวงพ่อว่าความสงบพร้มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเรายกตัวอย่างอย่างวัดของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสกันเนี่ยมีพระเข้ามาจากญารติอย่าง น, นี้อหลวงพ่อก็จะต้องตรวจตราดูพระของหลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงแต่ละองค์นิสัยกิริยามานรษา์เป็นยังไงหลวงพ่อก็จะได้ดูพอดูแล้วเออองค์นี้ เนี่ยท่านทําไม่ดีนะเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนแต่โดยมากท่านที่พระมาอยู่วัดหลวงพ่อร่วนแล้วแต่ใดผู้ได้รับการศึกษามาดีด้วยกันท่านก็รู้จักการวางตัวของท่านเองฮะนี่แหละแต่องค์ไหนไม่รู้หลวงพ่อก็จะบอกญาติโยมก็เหมือนกันที่มาพักวัดหลวงพ่อถ้าทําตัวไม่ดีหลวงพ่อก็จะบอกเพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าดูแลวัดของหลวงพ่อเนี่ย นี่แหละหมู่บ้านทุกบ้หมู่บ้านเหมือนกันนะหลวงพ่ออยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้าว่าพวกเราช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่บ้านเมืองให้เป็นหูเป็นตาให้แก่ชุมชนของพวกเราครอบครัวของเราก็จะร่มเย็นเป็นถุกท่วนหน้ากันนะอันนี้ก็คือบอกกล่าวหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากัออบายจะมก เหตุเครื่องจีบหายบอกพุทธเจา้าท่านบอกไว้อย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ได้นำทำคาสอนของพวกพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ด้วยกันท่าว่าพวกเราเ อ, อยู่ร่วมกันหรือมากเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะต่างคนก็ต่างออกนอกลู่นอ ก, นอ ก, ก, นอกทาง อ, อความประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นแนวแถวเดียวกันบ้านเมืองไม่สงบพร่อมเย็นเป็นสุข พวกเราจะหันหน้าเขาหาศีลหาธรรมเนี่ยหลวงพ่อมันยากเหมือนกันนะถ้าบ้านเมืองอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขแล้วแต่นียก็มาศึกษาธรรมะเอาสร้างบุญสร้างกุศล้าสู่จิตใจมันก็ไปได้ใช่ไหมเพราะเหตุใดเพราะว่าการเป็นอยู่ของพวกเราร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ไม่มีเรื่องอะไรเกิอดร้อนวุ่นวายแต่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาก็เป็นผู้มีศีลมีธรรม รู้จักบาปบูนคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ช่วยกันคิดช่วยกันอ่านอะไรทีนี้แนะนำสั่งสอนกันคุณบิดามารดาเนอ้อที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วไม่ควรจะปล่อยปะละเลยนะคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราจากนั้นก็คุณประเทศชาติบ้านเมืองอประพฤติตนให้เป็นคนดีของประเทศชาติให้เป็นสมบัติของชาติจากนั่นก่อชีวิตครอบครัวสามีภรรยา อย่าไปทะเลถลายออกนอกหลูมนอกทางเน้อพวกเราให้รักกันเอาไว้ไม่มีใครที่จะรักถ้าคนในครอบครัวไม่รักกันไม่ครบรักันในพ่อแม่ลูกสามีภรรยาแล้วพวกเราอย่าไปหวังหาความสุขจากที่อื่นขนาดสามีภรรยาลูกหลานของเราที่อยู่ในปกครองของเรายังหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้แล้วพวกเราอย่าหวังหาความสุขจากที่อื่นเพราะนั้น คนที่ใกล้ใกล้ตัวของพวกเราเนี่ยแหละคือสามีภรรยาลูกๆของพวกเราเนี่ยแนะนําสั่งสอนนะเขาเป็นคนดีอจากนั้นก็แนะนําเข้าสู่ศีลธรรมอะไรสินเอออย่าไปพฤติงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ่าลูกหลานนะเน้อศีลธรรมคนดีนั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าว่าศีลห้านี่แหละเป็นคนดีเอเป็นผู้มีน้ําใจมีน้ําใจก็คือมีทานะเอมีทานะก็คือคนยินดีในการทําทานในการเสียสละ เมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วบางส่วนเราก็ควรจะแบ่งปันให้พ่อให้แม่ให้วงศสาคานาญาติผู้ตกทุกข์ได้ยากควรจะแบ่งปันเฉลี่ยเพื่อแผ่ทําบุญกับพระพุทธศาสนาอย่างพวกเรามาทําบุญในวันนี้แหละอันนี้ก็คือทําบุญในพระพุทธศาสนาแต่พระสงฆ์ที่มาอยู่ในพุทธศาสนาถ้าพวกเราบางคนก็คิดว่าโอ้พระสงฆ์เอาเปรียบ พวกเราถ้าคิดว่าพระสงฆ์เอาเปรียบพวกเรามาบวช ด, ดูสิเป็นยังไงในที่มาบวชนี่เห็นแต่กระเพรนเอาเพรนเอาเพราะเหตุอะไรเพราะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระสงฆ์นี่ถ้าประพฤติตามำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะทานอาหารมือม้อเดียวฉันมื้อเดียวอยู่คนเดียวระวังกระทั่งความคิดคิดดีหรืคิดชั่วแต่ละวันคิดถูกหรืคิดผิดจู้กับความคิดของตนเองอีกต่างหากเนี่ย มันไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นพวกเราอยู่ทําอย่างพระไม่ได้ทําอย่างครูบาอาจารย์ไม่ได้นี่คือพระของพระพุทธศาสนาคือพระของพระพุทธเจา้าสากยบุตรคือบุตรของพระพุทธเจา้าพวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเออพวกเราทําไม่ได้อย่างท่านพวกเราก็ทําบุญทําทานพวกพระสงฆ์ก็อยู่ึเบื้องในแล้วก็เออเอาประพฤติตนให้เป็นให้สมควรเป็นพระที่แท้จริง เออเอ็ดพระที่แท้จริงพระอยู่ในหลักอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเอจากนั้นพวกเราก็เกื้อกูลหนุนกันทีนี่บุญกุศลที่พวกเราได้ทําบุญกับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นบุญเป็นเป็นกุศลที่แท้จริงอจากนั้นก็พวกเราก็น้อมจิตุทิศสวนกุศลที่ทานะคือพวกเราได้เสียสละทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาอจากนั้นก็เอเมื่ อ, เ ม, อเมื่อบุญกุศลได้ทานแล้วกับมีศีลทีนี่ศีลก็คือรักษากายวายใจให้เรียบร้อย อย่างที่พวกเราได้กราาวาระาธนาสินตีหลวงพ่อให้สินไปแล้วน่ะคือสินของคราวาต ค, คือสินห้าถ้ามีความบากบั่นพยายามอีกรักษาสินอุโบสถศึกษาลิสินแปดแต่สำหรับรักษาสินห้าเนี่ยโอ้ปิดอวัยภูมิไม่ตกนรกแล้วสินห้าเนี่ยคือไม่ฆ่าจัดไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มโุรา แต่พระพุทธเจ้าท่านไปไปเทศอยู่ที่กรุงราชคือพวกชาวสากยะถามพระพุทธเจ้าว่าจะทํำยังไงจึงจะว่าเป็นอุบาสกที่แท้จริงได้ด้วยทำข้อไหนบ้างพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตัดเพียงสองข้อนะก็แปลกเหมือนกันสะทธิ์ห้าท่านตัดเป็นเพียงสองข้อท่านบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่าดื่มสุราอันนี้จัดว่าเป็นอุบาสกออได้แล้วเออให้ข้าวาไม่ให้ฆ่ากันนะ ไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตคือว่าชีวิตของพวกเราทุกคนใครก็กลัวตายทั้งนั้นหรือไหมอันนี้คือฆ่ากันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่าดื่มสุราถ้าคนมีสติเนี่สัมปชัญญะจะไม่ทําความชั่วเสียหายถ้าคนขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเออพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพียงสองข้อหลวงพ่อก็แปลกแก่ทาไมท่านไม่พูดถึงห้าข้อท่านพูดเพียงสองข้อแล้วก็ถามอีกว่าพระพุทธเจ้าขาด ปีศากยะองค์หนึ่งเนี่ยที่ท่านมลนาภาพไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วท่านดื่มโซลานะดื่มน้ําจันตลอดวังนั้นเถอะเฮ้ติดเป็นกินน้ําจันเป็นเป็นนิสัยติดน้าจันว่างั้นเถอะกินเหล้าติดเหล้าว่างั้นเถอะเวลาเขาตายไปแล้วเขาไปไหนพระเจ้าค่ะเพราะพระเทเจ้าอ่ะเขาเป็นพระโสดาบันนะพวกสากยะเนี่ยกือหาเกินมาเอา้า คนกินเหล้าขนาดนั้นยังเป็นพระโสภดาบันได้อยู่เหลือพระเจ้าข่าเนีพระพุทธเจ้าใช่เป็นได้เขาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุบาศกกุบาสิกาถึงเขาจะกินเหล้าแต่เขานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงย์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเขาอยู่แต่เขางดตัวชุลาไม่ได้ แต่ว่าถึงยังไงเขาก็เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าแนะนําสั่งสอนเป็นให้เป็นคนดีแต่พอที่เขาจะตายจริงๆเน่ยเขาก็ไม่ได้กินเหล้าเนี่ยเขาก็ระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาได้ยินได้ฟังมาเขาก็สลัดกิเลสอความชั่วเสียหายที่ตัวหยาบหบออกจากจิตใจของเขาเขาก็ได้สําเร็จพระสวดาบันก่อนที่เขาจะตายฮพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นน่ะอไม่ใช่ว่า กินเมาสุราแล้วก็ตายในขณะที่เมาสุราแล้วก็จะไปสู่สวรรค์ไม่ใช่เอมันต้องตัดทิ้งซะก่อนในช่วงปลายๆนั้นเว้ยกันแต่จะเป็นคนดีเว้ยงั้นแต่เนี่ยจะเป็นพระโสดาบันได้ทีนี้พระมหานามพระเจ้าสักยะก็ถามพระพุทธเจ้าอีกว่าข้าพระองค์เข้าไปในกรุงกบิลพัทเนี่ยใครๆแบบคงจะปลอมแปลงตัวเข้าไปดูชุมชนมั้ง อท่านก็เข้าไปในเมืองของท่านเองนะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็ปลอมแปลงตัวของท่านเข้าไปดูว่าประชาชนเขาไปไงท่านก็บอกพระองค์เข้าไปในที่แออัดมากวันน่ะเอเข้าแออัดมากมีเห็นแต่คนเต็มไปหมดเลยเออก็คิดในใจอู้ท้าพระเจ้าตายในขณะที่เข้าไปอยู่ชุมชนสังคมอย่างนั้นนะข้าพระเจ้าจะไปเกิดที่ไหนนาเอออันนี้คือถามพระพุทธเจ้าอ่ว่า ข้าพุทธ้าพเจ้าไปอยู่ในชุมชนสังคมสารววนวุ่นวายขนาดนั้น่ะไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ระลึกถึงคุณทานคุณศีลคุณภาวนาคุณงามความดีอะไรเลยพียงแคิดว่าโอ้โหทําไมยุ่งขนาดนี้ออคิดว่าเข้าไปแล้วมันมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายคนมันแน่นไปหมดน่ถ้าข้า พ, พุทธเจ้าตายในขณะนั้นจะไปที่ไหนไปเจ้าขาพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่า เหมือนตุ่มน้ําของเราเนี่ยอปิดฝาให้ดีแล้วก็กอดลงไปในใต่ไต้น้ําในเมื่อไต้น้ำแล้วตุ่มนั้นแตกไอ้ตุ่มนั้นแตกแต่ว่าสิ่งที่หนักคือกวดหินหรือฝากระเบื้องมันก็ต้องจมน้ําแต่ว่าพวกเนยเนยใสเนยข้นน้ํามันมันก็จะต้องลอยขึ้นมาข้างบนมันจะไม่อยู่ข้างล่างมันจะลอยขึ้นข้างบนนี้ชันใดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะจังว่านี้ชั้นใด ร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะต้องแตกต้องสลายสู่ดินน้ำลมไปแต่ใจผู้ได้อบรมดีแล้วได้ฝึกหัดดีแล้วได้มาทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดทางด้านจิตใจดีแล้วต้องไปทางสูงเสมอพระพุทธเจ้าใช่ไหมเหมือนกับเนยนละยถึงจะอยู่ใต้น้ําก็ลอยขึ้นมาสู่บนน้ําได้นี่ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัติของพวกเราคณะสัตยาธิโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าถ้าคําว่าพวกเราในขณะที่มาประพฤติปฏิบัติรำ แต่บางครั้งบางทีมันก็อย่างว่าฉุกเฉินเวลาเราล้มหายตายจากไปอในขณะที่รถชนหรืออะไรลักษณะอย่างนั้น่ปะปัจจุบันเหตุเนี่ยเราจะไปที่ไหนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราคล้ายๆกับไม้มันเอ็นไปทางทิศทางทิศตะวันออกอยู่แล้วเวลามันยังไงมันก็ไปทางทิศตะวันออกนี่ก็เหมือนกันเพราะเหตุแบบเพราะเราหวังคุณงามความดีอยู่แล้ว เรามีบุญกุศลอยู่แล้วเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่คุณงามความดีเพราะนั้นการสั่งสมคุณงามความดีเนี่ยเข้าสู่จิตใจของพวกเราเนี่ยเป็นคุณงามความดีสมควรที่จะสั่งสมอย่างยิ่งแต่พวกเราทํากรรมชั่วแล้วไอเหมือนกับเรามีหินมีอะไรอยู่ในตุ่มน้ําเวลาหลุดลงไปในน้ํามันแตกมันก็ลง เน่จมอยู่ในพื้นน้ำมันขึ้นมาไม่ได้เพราะอะไรมันของหนักเน่ของที่เป็นบาปอกุศลสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลก็ต้องลอยขึ้นมาข้างบนนี่แหละอันนี้ของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหตุผลให้พระเจ้ามหานามสากยะฟังหลวงพ่อฟังแล้วเออมีเหตุมีผลที่พระพุทธเจ้าตรัสเน่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเนการอยู่ด้วยกันต้องระวัง ระวังคําพูดในโบราณในเมืองไทยของเราคําพังเพยของพวกเราว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดใครว่าเราอยู่คนเดียวเรอเรามาภาวานามาเป็นพระอย่างนี้เราจะมาคิดปรุงฟุ้งซ่านเป็นบ้าอดไง่ายๆเหมือนกันนะมันส่งจิตออกนอกลูกนอกทางนี่แหละเราไปอยู่คนเดียวในป่านรงฟงไฟไปอยู่ที่ไหนก็เถอะท่าเราคิดปรุงฟุ้งซ่านออกไปนี่ย เป็นเสียสูญได้เหมือนกันเพราะนั้นอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรอยู่กับเพื่อนกับฝูงจะพูดจะจาพาทีอะไรให้ระวังวาจาอย่าไปพูดกระทบกระแท ก, กแทกแดกกันหรือว่ากันแหนกันแหนให้แก่หมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันให้ระวังคนอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาท่านก็เลยเปรียบเทียบสมัยหนึ่ง พระเจ้าพรมทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนะท่านพูดเป็นนิทานเพื่อให้พวกเราจําได้ง่ายนะที่นี้ท่านมีนักปราจุผู้หนึ่งนักปราดก็คือเป็นถ้าจะเปรียบเทียบทุกวันคือกกองจะเป็นองค์ข้ามรีนะมั้งนะเป็นผู้กล่าวแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งไหนสิ่งนันควรไม่ควรอย่างไรที่นี้ปราดที่เป็นผู้แนะนาสั่งสอนพระราชาท่านก็ให้แนวความคิดให้ธรรมะ เรื่องต่างๆให้แก่พระราชาแต่ว่ามิพระราชานั้นนิสัยไม่ไดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นคนชอบพูดมากพระราชาคนี้นชอบพูดมากถ้าหาว่าไปสนทนาพาธีกับใครๆเลยมิจะพูดคนเดียวคู่ที่จะสนทนานั้นไม่มีโอกาสที่จะพูดพูดน้อยมากกว่านั้นผลในสุดก็นี่แหละมีแต่ความรู้ของตัวเองไม่มีใครแนะนำบอกกล่าวให้ตัวเองได้ฟัง เพาเป็นตัวเองเป็นคนพูดอย่างเดียวคนะเนี่ยนักปราชญ์ตราจานนะั่นเอ๊จะสอนพระราชาไม่พูดมากอย่างนั้นให้ฟังคนอื่นเขาบ้างเวลาเขาจะพูดนะี่ยเวลาจะพูดเวลาเขาจะพูดเขาแนะนําแล้วเขาพูดอะไรคนเราสนทนากันก็ต้องความคิดของเขาความคิดของเราก็ต้องสนทนากันอันนี้มีแต่พูดอย่างเดียวเนะี่ยไม่ใช่พระเทพงั้นแต่นเนี่ยสนทนานะเนี่อจากนั้นก็พระราชาท่านก็นักปราชญ์ท่านก็หาวิธีการอยู่ วันหนึ่งมีหงอยู่สองตัวนกหงนะสองตัวอไปกินไปหากินอยู่ในสระน้ําแห่งหนึ่งอยู่ในป่าหิมะพานเหมือนไนงะไปอยู่ไปกินในป่าหิมะพานไปเจอกระเต่าแก่ตัวหนึ่งอ่ะกระเต่าแก่มันก็ะตุมตามกรมตามหากินในฝั่งน้ําหมือนกนนะัก็เลยถามว่าเอ้ยเต่าไปเยี่ยมบ้านข้าไหมนกหงนกหงสองตัวเนี่ยไปเยี่ยมบ้านข้าโอ้บ้านข้านเป็นถ้ำนะ เป็นถ้าทองนะอีกโดยเขาคิดจะกูดนะ่ะถ้าสวยงามเนีย่ยน่าอยู่นะท่านจะไปไหมเต่าก็หัวเราะข้าจะไปได้ยังไงขาของข้าสั้นถึงขนาดนี้นกคงก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าท่านอยากจะไปท่านบอกกันแล้วกันว่าอยากจะไปเราจะมีวิธีกรรมพาไปก็แล้วกันเต่าเออทางว่าพวกท่านมีน้ำใจถึงขนาดนั้นข้าก็อยากจะไปดูหลายๆแห่งเหมือนกัน แต่โฮ่งก็บอกว่าเมื่อเจ้าไปกับเรานะเจ้าห้ามพูดอ้ามปีปากอะไรทั้งหมดถ้าเจ้าฝืนพูดไปเราไม่รับรองความปลอดภัยและเราจะเสียใจด้วยเพราะเจ้าเจ้าจะประสบบัติเัติเตาบอกว่าเออ้าว่าพวกท่านทั้งหลายว่าไงข้าจะจ้องปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเหมือนกันเออเอาแต่อย่างนั้น โหงกไปหาไม้แข็งๆเมากันแตนี่นะให้เจ้าให้เจ้าคาบเนะยคาบกลางไม้นี่นะเราสองตัวเนี่ยจะคาบโคตรส้นกันแล้วจะพาเหาะเลยเหมนพาบินขึ้นทางฟ้าเลยเหมือนกันเต่าก็ทดลองดูเมือทดลองบินอื่นก็ใช้ได้โหงก็บอกว่ายาพูดจะปากนะผลในสุดเต่าก็รับคํเหมือนทีนี้ก็พอได้วันเลโหงก็คาบส้นไม้คนละ คนละข้างกันว่างั้นเต่าคาบตรงกลางทีนี่หดขาเข้าอย่างดีแล้วงั้นแต่มันก็คาบไม่หงก็พาม บ, บินขึ้นทางอากาศบินเพื่อจะไปสู่ถ้ำของตัวเองว่างั้นพอบินบินบินบินไปไปผ่านกุ้งพราราณสีทีนี้มันก็คงจะบินบินไม่สูงเท่าไหรม่มไอมคนก็เห็นทีนีเ่เห็นว่าโอ้นั่นเต่าหามหงเต่าหามหงเอ เออเทนี้ก็คนทั้งหลายเด็กต่างนกูวิ่งดูมานดูสิวะเต่าหามหงอะเออคนหนึ่งก็บ่าไม่ใช่หงพาเต่าเหาะเอหงหงสองตัวพาเต่าเหาะเหาะไปไงตันี้เต่าตัวนั้นมันใครๆมันพูดมากอยู่แล้วมันเกลือบอกมันเรื่องอะไรของสูเจ้า ว, วะเอข้าจะไปเอเพื่อนของข้าพาข้าไปมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของสูเจ้า ว, วะมันมาพูดอะไรวะ เต่าตัวนั้นเลอ้าปากเพราะงันแตจะพูดคํานี่พอจอ้าปากนั้นเต่าตัวนั้นก็หล่นเลี้ยวลีเล้วลลงม า, าต่ําลงมากลางพารานหน้าพารานพระรัศวังฮเต่าตัวนั้นก็หลังแต่กระจายลงมาตกสูงนะเอทีนี้ก็คนทางไหนก็นล่มมาดูแต่นกโขงก็ บ, บินลงมาอีกที่จะมาช่วยมันช่วยไม่ทันมันช่วยหลังอย่างไงครับเพราะตัวมันเต่ามันหนักยังไ พอแตกลอมาเจ้าหงส์นั่บินไปบินมาวิ่งไปมาสองตัวไม่รู้จะช่วยยังไงเนียหงส์ก็เสียใจแล้วงั้นเด้อผมก็เลยหนีไปแต่นี้ทางคนก็มาดูนักปราชญ์มาดูพระราชาก็ามาดูเถอะาา ม, ามาดูก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมหงส์มันจึงตกอ่ะนักปราชญ์ท่านฉลาดเนี่ยรอบรู้หมดทุกอย่างเนี่ยรอบรู้อดีตอนาคตปัจจุบันท่านก็เห็นท่อนไม้มันหล่นลงไปแล้วเห็นเต่าแตกอีก นักปราชญ์ก็เลยบอกว่าที่เขาเห็นเนี่ยที่มันมาเนี่ยคือเต่าตัวนี้คาบไม้ตรงกลางหงคงจะพาไปจุดหมายปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เต่าเนี่ยมันคงจะปากคงจักจะพูดมันอ้าปากคือมามันก็เลยตกเพราะนั้นท่านพูดอะไรก็ตามพูดไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเวล่มเวลาก็ทําทให้เสียหายได้นะพาลาชาก็บอกว่า ท่านนักปราชญ์อันนี้สอ น, อนเราใช่ไหมเนั้นนักปากราชญ์ก็บอกว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะจะเป็นผู้ใดก็ตามไ ม, ไม่ว่าแต่พระองค์ไม่ว่าแต่ใครๆทั้งหมดถ้าพูดไม่รู้จักเวล่ำเวลาไม่รู้จักกาลเทศะมีแต่ลมป่าก็พูดไปเลยความผิบหายและความหายยะนะก็จะเข้ามาสู่ผู้นั้นแน่นอนอย่างเต่าตัวนี้แหละเต่าตัวนี้มันอยากจะพูดมันก็เลยตกลงมาตาย เพราะว่ามันตายเพราะปากของมันไ อ, อตั้งแต่บัดนั้นมาพระราชาก็สำนึกได้ว่าการพูดมากไม่เป็นผลดีเพราะการพูดก็ต้องหาเวล่งเวลาต้องรู้จักจังหวะในการพูดหรือว่าเกิดประโยชน์จึงพูดไม่ใช่ว่าพูดปลามไปเรื่อยอย่างนี้หากกดหาเกณฑ์ไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ว่าเหมือนกระเต่านะ่มันตายเพราะปากนะเพราะนั้นนิทานนิชาดก เ, เรื่องต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเอาไว้คือสอนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละแอบอย่พูดสิ่งไหนก็ให้ระมัดระวังอย่าไปพูดปลามไปเรื่อยสิ่งไหนที่มันจะทะเลาะพิวาทกันก็อย่าพูดสามีภรรยาก็เหมือนกันอไม่ใช่ว่ากันแหนกันแหนอะไรพูดให้ปันกันนั่นอ่ะเออไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจริงแหนงแข่งใจกับปุน้นตุ๊กมาตบตีต่อยกันแตกแยกสมัคคีกันเพราะปากมีมากต่อมากเพราะนั้นให้ระวังคํำพูดนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเพราะนั้นนิทานหรือระชาดกเรื่องต่างๆกรสอนให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางของชีวิตนะแล้วก็พร้อมกันขอขอให้พวกลูกหลานคณาทศัทาญาติโยมทุกหมู่เหล่าอย่าห่างเหินธรรมะให้รู้จักทําบุญให้รู้จักไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมนะเออให้นั่งภาวนาเนี่ยหลวงพ่อจะแนะนําสั่งสอนเพราะหลวงพ่อนั่งภาวนาเป็นชีวิตจิตใจพวกลูกหลานทั้งหลายให้นั่งภาวนาอย่างที่หลวงพอ่อ พาประพฤติปฏิบัติมันความร่มเย็นเป็นสุขมีจริงๆนะลูกหลานนะนึกว่าจิตสงบแล้วนะนัตถิสันติปรังสุ ข, ขังนะความสุขอื่นยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีจะเกิดขึ้นกับลูกหลานทุกคนถ้าว่าทําจิตใจให้สงบแล้วก็รู้จักตัวเองอีกต่างหากว่าเมื่อตายไปแล้วนะเมื่อเรานั่งภาวนาเนะี่ยจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนยะน่ยไม่ต้องถามใครเว้ยงั้นเถะยืนยันได้เลยว่าตายแล้วเกิด เมื่อจิตสงบแล้วร่างกายของเราก็นี้แหละเหมือนกับรถเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบแต่จิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถเนี่ยคนขับรถเนี่ยจะต้องออกจากร่างรถไปไปเกิดในภพภูมิต่างๆนี่ขอเหมือนกัน น, ะนามธรรมคือใจของพวกเราเนี่ยจะต้องออกจากร่างถ้าร่างของเราแตกตายหรือว่ารักษาไม่หายแล้วอย่างเราเป็นมะเร็งอย่างเนี้ยเราตายแล้วเนี่ย เราก็จะมาออกจากร่างของเราไปเกิดเป็นปฏิสนที่เป็นในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นขอให้คณะจัทธาญาติโยมลูกหลานหนะ้าท่านนั่งภาวนาจะรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็จะรู้จากบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตายแล้วเกิดตายแล้วสูตรนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ต้องถามใครถามตนเองนะทางาพวกเราปฏิบัติแล้วนะรู้ได้ด้วยตนเองธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบอกธรรมะปัจจตัง ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าไม่ปฏิบัติก็อย่างว่านั่นแหละเรามีแต่คิดมีแต่นึกมีแต่คิดมีแต่เดาเอาเดาผิดเดาถูกไปแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้โอ้รสเค็มเป็นอย่างนี้เองเราแตะเข้าไปในลิ้นเอออันนี้เค็มนะเเค็มมันเป็นยังไงวะถ้าเราแตะเข้าไปโอ้ใช่เค็มเป็นอย่างนี้เผ็เดเป็นอย่างนี้หวานเป็นอย่างนี้ออันนี้ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนนั้นแหละ การทำว่าผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้เองเห็นเองรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองนะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทรนิยกถาให้แก่คณะทาย า, า, ญญาิโยมมีได้หลายอย่างตั้งแต่พวกเราควรทําตนอย่างไรควรได้ยินได้ฟังอย่างไรควรจะศึกษาอย่างไรถ้าตุ่มโอ่งของเราไม่เปิดฝาไม่หายฝาถ้าเราไม่เชื่อเชือย่างเดียว ใครจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรพวกเราก็ไม่เชื่ออันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเราปิดหูปิดตาตนเองอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องเราควรจะฟังเราควรจะศึกษานะอันนี้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้กล่าวแนะนำสั่งสอนเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราชีวิตประจำวันของพวกเราจนถึงเรื่องขายยงขายยางของพวกเราเนี่นแหละหลวงพ่อเห็นว่าพวกเราทาถูกต้องแล้ว จะให้รู้จักขาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้อย่าไปใช้เงินอิ่ดอิช่แชร์จนเกินไปให้รู้จักวางแผ น, นวางแผนในการใช้ถ้าพวกเราวางแผนถูกต้องแล้วชีวิตครอบครัวของเราก็จะราบรื่นนะแต่ถ้าพวกเราไม่รู้จักประมาณในการใช้แล้วพวกเราจะประสบความหายเนะนะในครอบครัวจากนั้นก็ให้ช่วยกันดูแลปกป้องพี่น้องลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม อย่าออกนอกลู่นอกทางแล้วก็พร้อมกันกันให้พวกเราอย่าปล่อยปะ่าละเลยให้รู้จักศีลให้รู้จักธรรมให้รู้จักคุณบิดามารดารู้จักประเทศชาติบ้านเมืองควรจะวางตัวยังไงควรจะทําตนอย่างไรจากนั้นก็ให้ลูกหลานไหวพระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีล น, นั่งภาวนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอนรกสวรรค์มีจริงถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะ และตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอุโมทนาให้พรขอให้พวกเราทุกรานทุกคนนะอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาคนายาตยันมิตรหายของพวกเรา